เป็นตอนหนึ่งของพวกสโมสรคุณนพวัดรคังมีนายมั่นในสมัยเป็นคนที่ได้ฟังเรื่องราวของไทยอิสลามเกี่ยวกับพูดผีปีศาจที่น่าสนใจในเย็นวันอาทิตย์โรงเรียนกลางคืนของผมหยุดตั้งใจจะเที่ยวหาอาหารอร่อยๆทานแล้วก็ไปดูภาพยนตร์จึงออกจากวัดตั้งแต่บ่ายตั้งใจไปหาครูพยุงชวนไปด้วยกัน ถ้าดูภา พ, พยนตร์ต้องมีครูพยุงไปด้วยเรื่องถึงจะสนุกมากขึ้นเพราะคำพูดในจอภา พ, พยนตร์ถ้าจะฟังกันจริงๆอย่างผมก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างถ้าครูพยุงไปด้วยมันแจ่มแจ้งดีนักแต่แล้วความคิดทั้งหลายก็ล้มเหลวไปหมด พอออกจากวัดเดินเตร่หาแท็กซี่ก็ได้ยินในมั่นตะโกนเรียกอยู่ในร้านเหล้าเลยจมกันอยู่ที่นั่นเพราะว่าในมั่นมีเพื่อนอยู่ก่อนแล้วคนหนึ่งเป็นชาวมุสลิมทํางานกรมอู่ทหารเรือเกิดคุยกันถึงเรื่องผีผีสังสารเข้าก็ถูกใจก็เลยสนุกกันใหญ่ผมกําลังอยากพบคุณอยู่เชียวในมั่นพูดเมื่อต่างคนต่างดื่มกันไปแล้วพร้อมกับนายสมานช่างกรมอู่เพื่อนในมัน่นกําลังจะไปวัดอยู่ทีเดียวถ้าจะมีธุระนะ ผมถามกลับแต่นึกได้ว่ามีคุณสมานอยู่ก่อนควรให้เขาพูดอะไรๆกันซะก่อนแล้วจึงแย้งออกไปว่าถ้าไหนมั่นมีธุระอะไรที่จะต้องคุยกับคุณสมานก็คุยกันให้จบไปก่อนเถอะนะอ๋อไม่เป็นไรเรากันเองไหนมั่นพูดเมื่อกี้ก็คุยกันไปถึงเรื่องถูกผีหลอกกันมาที่อยุธยานูน่นเรื่องจะไปธุระจะไปพบคุณนพก็เรื่องที่บ้านคุณนายนั่นแหละอ่ะอรารวาสอีกแล้วเหรอผมถาม เพราะถ้าในมั่นมาเรื่องเกี่ยวกับบ้านคุณนายแล้วก็มักจะมีเรื่องคุณปู่อารวาสอยู่เสมอโอ้ยเปล่าเลยตรงข้ามคุณปู่ไม่อารวาดแล้วกลับทําดีขึ้นให้ลาบแก่คุณนายอย่างใหญ่หลวงนักคุณนายก็เลยจะเลี้ยงพระสักเก้ารูปในมั่นพูดอ้าวผิดถนัดเลยกลับเป็นเรื่องมงคลไปผมว่าผมฟังคุณมั่นเล่าถึงริของภาพปั้นนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอาการอยู่นะนายสมานบอก อ๋อครับเอาการและก็เอาเรื่องเยอะเลยทีเดียวผมรับรองด้วยคนยุ่งครับเรื่องของพูดผีปีศาจในสมานพูดผมเนี่ยพบมามากครับพ่อผมสิครับท่านยุ่งยุ่งอยู่กับพวกเรื่องพูดผีปีศาจผมก็เลยเอือมระอามาตั้งแต่เด็กแล้วในสมานพูดแล้วก็โครงหัวบ้านเก่าผมเนี่ยอยู่คลองตันน่นละครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่คลองบางกอกน้อยก็เมื่อตอนที่ผมโตเป็นหนุ่มแล้วก็เลยทางานอยู่ที่กรมอู่นี่เลย เอ๊ะคองตันถ้าจะมีผีดุนะครับผมถามอย่างสนใจก็ไม่เชิงหรอกครับพ่อผมน่ะท่านไปทำให้มันดุขึ้นนี่คือเรื่องมันเป็นแบบนี้พ่อของคุณสมานเนี่ยท่านเป็นหมอผีผู้ยิ่งใหญ่นายนมั่นอธิบายแทนลงออกชื่อหมอยูโซหรือเรียกสั้นๆว่าหมอโซก็เป็นที่รู้จักกันไปไกลเที่ยวในคลองนั้นนายสมานนี่เป็นคนเล่นหนวดตัดแล้วก็คีบกันไว้อย่างสวยงาม พวกทำงานกรมอู่ทหารเรือมักจะเป็นชาวมุสลิมซะส่วนใหญ่เอเมื่อกี้คุณพูดว่าพ่อคุณไปทำอะไรนะผีมันก็เลยเกิดดุขึ้นผมถามย้อนกลับไปตามที่เขาพูดไว้เพราะอยากฟังด้วยความสนใจอ๋อพ่อผมท่านเป็นหมอทางนี้ท่านหากินทางรับจ้างเอาผีออกเอาผีเข้าอะไรประมาณนี้แหละครับใครจะต้องการให้ช่วยเรียกผีตามป่าช้าไปทาอะไรพ่อผมก็เอาทั้งนั้น โอ๊ยบางทีเรียกผีมาแล้วยังไม่ทันจะให้ผู้จ้างเขาไปก็เอาไปไประเดไว้ที่บ้านเต็มไปหมดผมก็ยังเด็กอยู่ทั้งกลัวทั้งรำคาญโอ้โหเอาผีอื่นมาเต็มบ้านเลยเหรอครับผมร้องแต่ก็ไม่ได้เอาขึ้นไปไว้บนเรือนหรอกนะครับพ่อผมเนี่ยท่านปลูกกระต๊อบไว้ที่ลานบ้านก็อยู่ที่หลังบ้านนุ่นแหละแล้วก็อัญเชิญเข้าไปเก็บที่กระ่อบนั่นนายสมานอธิบายผมมองหน้านมันคล้ายหาหรือว่า จะขังผีไว้ได้หรือที่กระ่อมจะขังได้อย่างไรท่านบังคับให้อยู่แต่เฉพาะในกระ่อมเหรอครับผมถามอ๋อเปล่าครับคุณคงสงสัยว่าจะกักขังผีไว้ได้อย่างไรใช่ไหมครับคืออย่างนี้ผมยังไม่ได้พูดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งการเรียกผีของพ่อผมเนี่ยท่านมีวิธีเอาไม้สักดุนเล็กๆมาแกะสลักด้วยมีดพับให้เป็นรูปตุ๊กตาเป็นรูปคนพอลุกลวกยาวประมาณ5นิ้วฟุต เมื่อท่านไปนั่งทำพิธีลงเลขยันที่ป่าช้าเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้นายจ้างเขาไปถ้ายังให้เขาไปไม่ทันก็เอาตุกตาไม้นี่ครับไปเก็บไว้ในกระท่อมไม่ได้เอาขึ้นบ้านบางครั้งนะตุ ก, กตานั้นนี่มันก็มีมากมายหลายตัวด้วยกันนายสมานอธิบายผีในกระท่อมนั่นอะ่ะเคยออกมาบ้างไหมครับนายมั่นถามก็มีบ้างอะครับนายสมานโคลงหัวอย่างน่าราคาญใจแถวบ้านผมที่คลองตัน น, นะ เวลาค่ำลงเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านบ้านผมหรอกหูคงอรารวาดมากเลยสิครับอ๋อเอาสิครับบางทีก็เล่นกับผมเล่นกับพ่อผมนั่นแหละนสมานหัวเราะทเป็นเสียงกบร้องบ้างทำเป็นเสียงหมาบ้างอ๋ อ, อมันล่อให้เราลงไปตีมันมากินนะสินายมั่นพูดครับก็ทํานองนั้นแหละแต่ว่าบ้านเรานี่คือไม่กินกบกบมันก็เลยชุม่มถ้ามันเป็นการร้องแบบธรรมดาธรรมดา ก็เชิญร้องไปใครจะว่าอะไรพอฝนตกน้ำฝนขังแอ่งมันก็ร้องแบบนี้แหละนะครับเอ้มันร้องอยังไงครับที่ว่ามันร้องอย่างประหลาดประหลาดเนี่ยโอ้ยมันร้องกวนโมโหนักเชียวให้ตายสิมันไม่ได้ร้องอย่างกบธรรมดาทั่วไปนะครับคุณที่มันไปร้องตามธรรมชาติแต่ว่าเนี่ยมันร้องเป็นหมู่เลยแบบอบอบอบบเป็นหมู่แล้วตัวร้องพร้อมกันเป็นจังหวะ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มันร้องพร้อมกันบ้างเป็นคนละเสียงบ้างแล้วก็ร้องขัดจังหวะกับหมู่แรกเป็นจังหวะคล้ายกับเพลงเกาะหรือดนตรีฝรั่งขัดกันอร่อยไปเลยครับในสมานเล่าไปก็หัวเราะไปแล้วก็ดื่มกันอีกหัวเราะขบขันเรื่องกบความตั้งใจของผมจะไปดูภาพยนตร์ก็เลยลมเลิกคุยกันสนุกไปเลยมันร้องดังที่ว่านั่นขึ้นครั้งแรกพ่อผมเนี่ยนั่งฟังเฉยๆแต่พอมันร้องแบบนั้นซ้ําอีก พ่อผมก็หันมองหน้าผมแล้วร้องว่ า, อ, าอ้าวอย่างนี้มันต้องตีกระบาลกันว่าแล้วก็โดดเข้าหยิบตะพดพลางพูดว่าชาชามันเล่นเอา ก, กับกูผมเห็นพ่อหยิบตะพดผมก็หยิบไม้สั้นๆวิ่งตามลงไปข้างล่างนึกขันก็ขั น, ขนกลัวก็กลัวในสมานเล่าตอนนี้แล้วก็หัวเราะกันเกลียวตีได้ไหมครับนมยมั่นถามตีอะไรล้คุณให้ตายจากไปเถอะมันก็นานหลายปีแล้ว แต่ผมจำได้ติดหูติดตาจนเดี๋ยวนี้เลยนะตีมันไม่ได้หรอกครับพอเราสองคนพ่อลูกลงไปถึงพื้นดินมันก็หยุดร้องแวกน้ําหนีกันไอ้ตายสิเสียงน้ําที่มันแวกว่ายหนีเนี่ยนะมันไม่บอกว่าเป็นเสียงกบเลยกลบมันตัวเล็กๆแต่เนี่ยเสียงมันคล้ายคนลุยน้ําหนีไปพอห่างไปก็มีเสียงหัวเราะกันคิกคักคิกคักผมนี่ยืนตัวสั่นราวกับจับไข้พ่อผมถึงกับโกรธฮึดฮัดพอเห็นมันเงียบก็ถุยน้ําลายลงดินแล้วก็เดินขึ้นบ้าน ดูสิครับไม่ได้ห่วงผมเลยเวลาโมโหก็โดดลงมาหมดโมโหก็กลับลืมผมซะแล้วผมวิ่งตามแกขึ้นบันไดหัวใจแทบหยุดเต้นอันเลาะกลัวมันจะฉุดขาไว้น่ะสิหัวเราะกันอีกคุณเคยเข้าไปในกระท่อมนั้นบ้างหรือเปล่าวะครับผมถามเคยครับเคยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะพวกไม้แกะภาพนั้นเนี่ยก็นอนเรียงกันอยู่ในถาดเฉยๆแต่เวลาหน้าฝนน้าเจิ่งไปทุกแห่งในกระท่อมเนี่ยไม่ดีครับ ห่าเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นส่วนเรื่องทําพิธีเรียกผีเนี่ยบิดาผมเคยไปทําที่ป่าช้าแล้วก็เคยเอาผมเข้าไปด้วยจะไม่ไปก็กลัวท่านจะตีเอาในสมานว่าโอ้โหคุณคงกลัวแย่เลยนะผมว่าตอนเมื่อเด็กๆ เ, เนี่ยความกลัวดูมันจะไม่เท่าตอนโตเป็นหนุ่มนะมันจะโดยไม่ประสีภาษาอะไรทํานองนั้นแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยมันคิดมากไงก็เลยกลัวมากกว่าเมื่อตอนเด็กๆ นายสมานอธิบายพวกมุสลิมทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ชอบพ่อผมนักหรอกเขาก็บอกว่าทําอะไรผิดทางศาสนาเพราะว่าคนมุสลิมเองเนี่ยเขาไม่ชอบตุ๊กตาเพราะว่ามันเป็นภาพการแทนตัวถ้าจะหมายเอาว่าเป็นตัวของใครก็ควรเขียนหนังสือแทนตัวแต่เนี่ยบิดาผม ท, ทําตุ๊กตาไม้เขาก็เลยไม่ชอบแต่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพ่อผมเนี่ยเป็นคนทําความไม่สงบให้กับดวงวิ ญ, ญญาณในปา่าช้าพวกที่ลงหลุมในกุโบ ก็คือเป็นป่าช้าของอิสลามเนี่ยนะครับเป็นพวกที่สงบไปแล้วถ้าใครไปทํายุ่งเหยิงแก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยพวกญาติพี่น้องเขาก็จะโกรธเคืองเอาแต่ว่าพ่อผมเขาบอกว่าทุกๆคนนั้นคิดผิดเข้าใจผิดคนที่ตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนใกล้ร่างกายก็เพียงวัน2วันแล้วก็ลอยไปที่อื่นหมดถึงไม่ไปเรียกร้องอะไรวิญญาณเหล่านั้นก็ไปเองอยู่ดีก็ไม่อยู่กับร่างกายที่เน่าเหม็นหรอกพวกญาติก็ยังหลงห่วงแหนกันอย่างบ้าๆบอๆอยู่ได้ ผมฟังพ่ออธิบายก็ชักจะเห็นจริงด้วยแต่ว่าใจมันก็กลัวอยู่อย่างนั้นนะครับแม้จะรู้ว่าเนี่ยป่าช้ามันน่ากลัวก็เพราะว่าความเงียบวิเวกวังเวงที่แท้มันไม่มีอะไรนอกจากร่างกายที่เน่าเปื่อยนอนกันอยู่ก้นหลุมเท่านั้นนายสมานเล่า ว, ว่าได้ฟังคำอธิบายจากบิดาของเขามีอยู่คราวหนึ่งนะมีชาวมุสลิมนักเลงคนนึงถูกฆ่าตายพวกญาติก็จัดการฝังกัน แต่มีบ้านหนึ่งอยากได้วิญ ญ, ญาณนั้นว่าจะขลังดีก็เลยจ้างพ่อผมเนี่ยให้ไปทำพิธีเรียกวิญญาณเมื่อตอนโพ o เ e play พ่อผมก็นำภาพไม้แกะสลักนั้นนีนเอาไปแอบยืนแล้วก็ว่าคาถาลงเลขยันอะไรต่อมีอะไรลงที่ภาพหุ่นนั้นแม้ครับค้างคาวแม่ไก่หลายตัวบินมาโฉบหัวพ่อผมเป็นการใหญ่ผมเองก็กลัวมันจะมาจิกตีผมเข้าก็เลยเอามือปัดกันวุ่นวายพ่อผมก็เลยร้องว่าไอ้นี่แข็งขันดีนะักมันดุดี พอเสร็จพิธีพ่อผมก็เดินนําหน้ากลับผมก็ต้องเดินตามหลังท่านหันหลังให้กับป่าช้าใจมันก็หายแล้วก็เสียวสันหลังเหลือเกินแต่ว่าในครู่นั้นเองนะครับก็มีคนคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักเนี่ยเดินแซงหน้าผมไปแล้วก็เข้าชิดหลังพ่อผมเขาคนนั้นหันมาพยักหน้ากับผมผมเคยรู้จักแล้วก็ยิ้มให้เขาแต่ว่าในทันใดนั้นเองหัวใจของผมเหมือนจะหยุดเต้นตาคนนี้เนี่ยก็คือคนที่ถูกฆ่าตายนั่นเอง ผมร้องตะโกนลั่นแล้วก็ล้มลงหมดสติอูหาผมร้องผีนั่นตามพ่อคุณไปใช่ไหมฮะครับตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็เผลอตัวผมนึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่มันก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊่นี่มันคือผีนี่ว่าอ้าวแล้วญาติเขาไม่โกรธเหรอครับโกรธสิเขารู้เหมือนกันเพราะว่ามีคนแอบไปบอกเขาว่าพ่อผมเนี่ยไปทาพิธีเรียกวิญญาณเขาไม่พูดด้วยจนแล้วจนรอดอาชีพนี้ไม่เห็นเจริญตรงไหนเลย พ่อผมนี่ยุ่งเสมอเอาผีออกเอาผีเข้าใครต่อใครก็ไม่เห็นวิเศษแค่ไหนรวยก็ไม่รวยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นอ่าแล้วคุณเรียนวิชานีไว้บ้างหรือเปล่าผมถามอันเละเรียนอะไรมีแต่จะวิ่งหนีนในสมานตอบนักเลงขโมยมันก็เกลียดพ่อผมของใครหายในบ้าน พ่อผมก็ไปทําพิธีเอาโซ่เหล็กเผาไฟจนแดงเอาลวดผูกแขวนกับหลักกลางแจ้งให้คนในบ้านนั้นทุกคนเนี่ยเอามือจุ่มน้ํามันแล้วก็รูดโซ่แดงๆนั้นถ้าใครมือพองก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยขโมยโอ้ยอาชีพนี้ไม่ไหวแม่ผมแล้วก็พี่ๆน้องๆผมเนี่ยไม่ชอบทั้งนั้นบางคนนะมีไอ้พวกที่มาร้องเรียกอยู่หน้าบ้านลานบ้านเสียงมันแหบแห้งพ่อหมอโซะจ้าพ่อหมอโซะพ่อผมก็ทําเฉยแต่เราทุกคนในบ้านเนี่ยหนาวสะท้านไปหมด หนักๆเข้าแม่ผมก็เลยย้ายมาอยู่กับญาติที่บางเกอกน้อยพ่อผมก็ตามมาบ้างแต่ว่ามีสัญญานะว่าต้องเลิกอาชีพนั้นอ่าแล้วเดี๋ยวนี้พ่อคุณคงอยู่สุขสบายดีนะครับอ๋อท่านตายไปสองสามปีแล้วครับในสมานตอบโอ้ขอโทษครับแล้วก็เสียใจด้วยผมรู้เข้าก็รีบขอโทษเข้าทันที นี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของครูเหมเวชกรค่ะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งกันเลยค่ะเป็นเรื่องของหมอดูเท่า ในถิ่นคลองพระยาบรรลือนับแต่พ้นประตูน้ําไม้ตราเข้าไปทั้งสองฝ้าคลองเกือบจะเป็นถิ่นฐานของชาวมุสลิมทั้งหมดเลยนะบ้านหนึ่งที่ชายคลองมีรั้วเตี้ยๆล้อมรอบมีผู้หญิงมุสลิมกลางคนหนึ่งเดินออกมาจากทุ่งเท่าประชิชดรั้วบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านพ่อฟาพ่อฟาจ๊ะพ่อฟาอยู่ไหม หญิงคนนั้นเรียกผู้หนึ่งในบ้านนั้นด้วยเสียงแปลงๆจากคำไทยก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาดูที่หน้าต่างอา้าวไ อ, ซอ้ซบฟพ่อฟ้าของมึงอยู่ไหมหญิงคนนั้นถามไม่อยู่จับป้าแมะมีอะไรล่ะเด็กหนุ่มย้อนถามด้วยเสียงตรงสำเนียงไทยธุระวะ่าเขาไปไหนวะดูเหมือนจะไปทางบ้านคนไทยโน่นแหละดูว่าจะไปหาในปุ่นหรือ ย, ยังไงก็ไม่รู้นะป้าแมะลองไปดูสิเดี๋ยวก็คงเจอแหละไอ้หนุ่มแนะนํา กูเข็ดว่ะหมามันชุมเมื่อวานมันไล่จะ ก, กัดกูเอางี้เหอะเดี๋ยวกูสั่งไว้ที่บ้านพ่อการีมแมฟีเนี่ยเขาจะดูหมอด่วนเว้ยของเขาหายว่ะกูจะกลับละมึงบอกให้ได้นะไอซบป้แม้เดินอ้อมกลับทางหลังบ้านแล้วก็เดินลัดทุ่งเพื่อที่จะกลับบ้านตัวเอง ไอ้ซพ so ยืนเกาหัวแล้วก็ถอนใจรู้สึกท้อเพราะว่าถ้าใครเกิดจะดูหมอในฟ้าพ่อของมันจะต้องใช้มันไปเอาไพ่๊อกที่กูโบก็คือในป่าช้าทุกคราวไปไม่ว่าจะค่ำคืนให้ไปเอาทั้งทั้งมืด ไอ้ศบก็เหลือจะทนทานไม่ทราบว่าเป็นพิธีขลังอะไรของนายฟ้าที่ต้องเอาไพ่บล็อกที่จะทํานายทายทักโชคชะตาไปไว้ที่นั่นทํากุญเล็กๆคล้ายกับกุญนกขุนทองไว้ปักไวข้ข้างๆหลุมใครคนใดคนหนึ่งเมื่อเสร็จธุระแล้วก็จะต้องเอาไปเก็บไว้ที่เก่าด้วยในพิธีของเขาถ้าว่าดูหรือทายใครถูกอย่างจับว่างสามหนด้วยกันจะต้องเอาไพ่นั้นเนี่ยมาทําลายแล้วก็ซื้อสําหรับใหม่มาทําพิธีอีก แล้วก็นำเข้าเก็บอย่างที่นั้นแทนไว้ไอายศพมีความฉลาดสมตัวรีบออกจากบ้านไปที่กูโบซาตั้งแต่กลางวันถ้าพ่อกลับมาค่า ม, มืดจะได้ไม่ต้องแข็งใจไปเข้ากูโบตอนนั้นมันวิ่งอ้อมไปหลังมัสยิดเข้ากูโบไปล้วงเอาผ้ออกจากกุดเล็กแล้วก็รีบจ้ำมาที่บ้านไอายศพมีนิสัยไม่ชอบคนตายเหมือนอย่างคน อ, อื่นๆแม้ว่าผู้ตายจะอยู่ในหลุมลึกก็ไม่อยากจะย่างกลายเข้าไปไกล เท่าที่ต้องไปก็เพราะว่ากลัวพ่อฟาของมันเนี่ยความจริงป่าช้ามุสลิมไม่ได้ทำอย่างกรกฤห์น่ากลัวอะไรเหมือนกับป่าช้าไทยพุทธเขาทำราบเรียบแล้วก็เรียบรื่นดีถ้ามองสังเกตจะเห็นว่าป่าช้าจะมีไม้ปักชื่อบ้างไม่มีบ้างหลุมนั้นขุดลึกลงไปแล้วก็ทําเป็นลิ้นชักที่ก้นหลุม เมื่อพิธีทางาศาสนาอิสลามที่นําศพลงไปในก้นหลุมแล้วก็ยังเสือกศพไปตามแคร่ให้เข้าในลิ้นชักดินอีกทีแล้วจึงกลบดินจึงจะเห็นว่าที่ดิน น, น, นูนเป็นรูปยาวไปตามขนาดของคนแต่นานวันเข้าดินนูนนั้นก็เลือเล่อนลงไปทั้งกลิ่นศพก็ไม่ลอดดินส่งกลิ่นขึ้นมาความกลัวก็เบาบางลงไปเท่าที่คนกลัวผีนั้นมักกลัวจากกลิ่นเป็นที่นําแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องของคนกลัวผีพอรู้ว่า เป็นป่าช้าก็ด่อมกลัวทั้งนั้นเป็นความจริงที่สุดในฟากลับบ้านจนค่ำดูจะมีสตรีมของการเมาสุรามาบ้างแม้ทางาศาสนาอิสลามจะห้ามดื่มสุราแต่ก็น้อยคนนักที่จะรักษาวไว้ได้มีพวกพ้องเจอกันเข้าก็หลบหลีกสนุกสนานกันบ้างยิ่งไปชุมนุมกับชาวไทยพุทธไทยพุทธก็กล่อมสเสียตัวเตี้ยไปในฟากลับมาถึงบ้านก็หัวเราะสนุกสนานมาลงมือกินข้าว พออิ่มข้าวแล้วไอ้ศพก็บอกเรื่องที่ป้าแมะมาสั่งนายฟารู้สึกว่าบ้านนายการิมนั้นนับถือกันมากเมื่อรู้เรื่องก็ต้องไปจึงร้องสั่งเฮ้ยไอ้ศพไปกูโบรเร็วนายฟาสั่งฉันไปเอามาแล้วเมื่อตอนเย็นเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ศพบอกแล้วก็ถอนใจว่าที่คิดไว้ไม่มีผิดเออดีว่ะเอามาให้กูมาเมื่อนายฟาไปถึงบ้านนายการิม แมฟีคิดว่าของที่หายจะเกี่ยวกับแก้วแหวนเงินทองก็ผิดหมดมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นหากแต่ว่าบ้านนายการิมปกปิดไว้มันกลายเป็นนางสาวมีนะลูกสาวในการิมไปต้อนควายกลับบ้านแล้วหายไปตั้งแต่เย็นวานแต่ควายมันกลับมาบ้านหมดในการิมกับพวกเอะใจจึงออกตามหาไปยังตำบลที่เคยนำควายไปเลี้ยงก็พบผ้าคลุมหัวกันแดดตกอยู่แล้วก็มีรอยเหยียบยำ่ำ แสดงว่ามีการต่อสู้กันแล้วของเล็กๆน้อยๆก็ร่วงอยู่ที่พื้นดินจึงแน่ใจว่ามีนะอาจจะถูกฉุดไปจึงให้ไปตามในฟาร์มาตรวจตามวิธีหมอดูว่ามีนะไปเองหรือว่าถูกฉุดถูกบังคับไปและไปที่ไหนไปที่นั่นเป็นสารทิศใดซึ่งเชื่อว่าคนที่อยู่ในบางเดียวกันย่อมไม่กระทาการแบบนั้นยิ่งเป็นมุสลิมยิ่งถือนักไม่ค่อยคิดจะทากัน ในฟ้าดูตำราไพ่ปล็อกอย่างละเอียดก็บอกว่ามีนะเนี่ยถูกบังคับไปโดยคนนอกศาสนาซึ่งมีใช่มุสลิมจึงรีบไปตามโดยเร็วถ้าช้าไปอาจจะมีอันตรายแล้วก็บอกทิศให้ตามนายการิมเป็นนักเลงคนหนึ่งในย่านนั้นแสบหัวใจนักจึงรีบจัดคนที่มีทั้งอาวุธพร้อมออกตามคิดไว้ว่าจะพูดดีๆกันก่อนถ้าผิดหูดีกันไม่ได้ก็รบกันไปเลยเลือดเข้าตาซะแล้ว ลูกสาวทั้งคนอีกทั้งก็เป็นนักเลงอยู่ในหมู่มุสลิมเมื่อมันเป็นดังนี้หัวใจมันแสบเหมือนแหวะเอาน้ำเกลือราดคนสิบกว่าคนที่ออกไปล้วนมีปืนยาวปืนสั้นครบครันฝ่าความมืดบุกด้อมทุกหมู่บ้านทั้งไทยและมุสลิมอย่างเงียบๆไม่วู่วามตูมตามเอาแต่ใจตนจนรุ่งสว่างทาตาอยู่กลางทุ่งยังไม่ได้ความก็หยุดหารือกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไป ก็พอดีมีเด็ก 2- อสาคนวิ่งหน้าตื่นจะผ่านไปแต่พวกชายการิมมองดูพวกเด็กก็หยุดชะงักและตรงเข้ามาหานะนะมีคนตายทางโน้นไหนนะเด็กร้องบอกอย่างตื่นเต้นแล้วก็ชี้มือไปอยังดงไม้ทึบด้านขวามือฟังแล้วมันเกือบไม่ใช่เรื่องของพวกนายการิมมาเหตุหนึ่งหาใช่จะเกี่ยวกับใครเป็นใครตายผู้หญิงด้วยนะไปสิไปดูเด็กพูดอีกเมื่อเห็นเฉยเฉยก็ทําท่าจะไปต่อเฮ้ย hey, หนูเดี๋ยวก่อน นายคาริมเอะใจเรียกเด็กไว้คนตายเนี่ยสาวหรือแก่คนสาวจ้าแก้ผ้าด้วยเด็กตอบพอฟังเด็กตอบทุกคนหน้าเฟื่อนแล้วก็หมุนตัวออกไปตามที่เด็กชี้ทันทีเมื่อถึงที่นั่นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นแต่มันก็เป็นไปซะแล้วนายการิมได้พบศพลูกสาวอย่างน่าสังเวชถูกเชือกรัดคอตายและเครื่องแต่งกายบางส่วนบอกแกว่าถูกคนสารเลวก่อกรรมไว้นะดงไม้นั้น นายการริมร้องโวยเหมือนคนบ้าเข้ากอดลูกสาวร้องไห้ไม่ออกแต่หนุ่มอีกคนที่ไปในขบวนที่ติดตามกัดฟันเสียงดังกรวบกรวบตาลุกวาวเหมือนคนบ้าสะบดสาบานวุ่นวายไปหมดในที่สุดพวกทั้งหมดก็เอาศพมีนะกลับยังถิ่นตัวและในที่สุดข่าวที่ปกปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ต้องเปิดขึ้นและรู้กันทั้งบางนั้นจึงเกิดพิธี ท, ทาความสะอาดให้กับศพตามหลักศาสนา เสียงพึมพำกันไปทั้งหมู่บ้านทั้งบ่นรำพันแล้วก็ร้องไห้ทั้งเสียงสะบทสาบานดุเดือดทั้งหมดจึงมีสีหน้าต่างกันไปบ้างหน้าเศร้าบ้างหน้าเหี่ยมเท่าฟาหมอดูยืนกัดฟันนิ่งพอตกบ่ายการพิธีเอาศพลงหลุมก็เริ่มขึ้นและแล้วเสร็จลงไปด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวไอ้หนุ่มหนึ่งที่ชื่อเต็ดหน้าเหี่ยมเกรียมตลอดเวลามองดูนายฟาผู้เท่าแล้วเข้ามาหาลุงฟาต้องช่วยช น, นะ มุสลิมต้องช่วยมุสลิมไอ้หนุ่มพูดอย่างกัดกรามช่วยยังไงวะเท่าฟาถามช่วยทำการปลุกผีไม่มีนะให้ฉันจะถามว่าใครฆ่าเขาไอ้แตดนี่แหละจะฆ่ามันทั้งบางเลยเอไอกูก็ทำไม่เป็นด้วยวะเท่าฟาพูดแล้วก็ยืนขมวดคิ้วทำท่านึกคิดไปพลางก่อนจะพูดว่าเฮ้ยไม่จนทางวะเพื่อนกูมีเอามันสิวะแต่พ่อการิมเนี่ยเขาจะว่ายังไงล่ะ เข้ารับปากแต่ยังกลิ่นใจช่างเขาถะลุงนี่เรื่องของฉันเองเสียเท่าไหร่เสียไปเออเอาสิวะพอเสร็จพิธีฝังศพแล้วในฟ้าก็พาไอ้หนุ่มเต็ดออกจู่ทุ่งตรงไปหมู่บ้านไทยพุทธแล้วในปุ่นเพื่อนเกลอในฟา้าได้พูดจากันอยู่ครู่เดียวในปุ่นก็รู้ความประสงค์ของในฟา้าหนุ่มเต็ดก็เลยมีการดื่มเหล้าปลุกใจกันส่วนเรื่องเส้นเครื่องพิธีในปุ่นก็เตรียมไปเรื่อยๆหนุ่มเต็ด เราฟัดเล่าเข้าไปเสียถนัดใจมันเคยเกรงผู้ใหญ่แต่คราวนี้มันถือว่าเป็นคราวสำคัญจะเอาช้างมาลากมาดึงไม่ไหวทั้งนั้นมันยังเฮี้ยมเกรียมน่ากลัวนักคเนพอพลบได้เลิกเดินทางมาสู่กูโบพอข้าลงในฟาหนุ่มเต็ดนำในปุ่นมาถึงหลุมของสาวมีนะในปุ่นเอาก้นบุรี่จี้ทูบให้ติดแล้วก็ปักลงไปที่ปากหลุมพร้อมกับวางเครื่องเส้นทันใดก็มีเสียงสวบสวบมาอีกทางนึงใครวะ เสียงตวาดถามเท่าฟ้าจำเสียงได้ฉันเองพ่อการิมฟ้าฟ้าไงล่ะในฟ้าบอกเอ๊ะมาทำอะไรกันเนี่ยในการิมถามแล้วก็กวาดตามองดูที่ปากหลุมฉันอดใจโกรธไอ้ศัรตรูไม่ไหวในฟ้าพูดอย่างคุ้นๆเหี้มๆฉันขอเส้นศพมีนะเพื่อให้เข้าฝันว่าใครทำมันและอยู่ที่ไหนฉันต้องการเองนะริมไอ้เต็กพูดฉันจะฆ่ามันทั้งนั้นไอ้เต็พูดแล้วร้องไห้โฮ ในการริมยืนกัดฟันนิ่งท่านแรกก็โกรธที่ทากันนั้นผิดทางศาสนาอย่างแรงแต่เห็นไอ้หนุ่มเตดร้องไห้เหมือนจะสำลักเลือดก็เห็นใจไอ้หนุ่มมันรักของมันอยู่กับมีนะเตรียมการจะสู่ขอกันอยู่แล้วก็มีอันเป็นไปและคําของนายฟ้าที่บอกว่าอดทนโกรธไอ้ศัตรูไม่ไหวจะขอทําการเพื่อรู้ตัวศัตรูแล้วจะตามล้างแค้น นายการริมก็เลือดนักเลงจึงเกิดฮึดฮัดขึ้นอีกคนร้องอนุญาตให้ทำพิธีปลุกที่ผิดศาสนาได้ไหนๆก็เสียไปแล้วลูกเอ้ยพ่อปฏิญาณด้วยคนจงบอกเขาลูกว่าใครทำและมันอยู่ที่ไหนขาดคำของนายการริมก็เลยเกิดเสียงร้องไห้กันขึ้นหลายคนเว้นแต่ในปุ่นไทยพุทธผู้เป็นเจ้าพิธีคุกเขานั่งสมาธิว่าคาถาปลุกวิญ ญ, ญาณมีนะจนเสร็จพิธีจึงพากันออกจากกุโบไป คืนนั้นที่บ้านในการริมได้มีการสวดทางศาสนาอิสลามซึ่งชาวมุสลิมรู้ว่าความมุ่งหมายของการสวดนั้นไปในทางใดสวดเพื่อนําวิญญาณผู้ตายให้ไปใกล้องค์พระอัลเลาะห์และอ้อนวอนพระอัลเลาะห์ให้ทรงรับวิญญาณของผู้ตายให้อยู่ใกล้ๆด้วยแต่เสียงสวดของคนมากคนก็ดังไปไกลนั้นย่อมมีกระแสะจิตต่างๆกันไปบางคนก็ตรงไปยังพระอัลเลาะห์แต่โดยอย่างเดียวแต่บางคนนั้นกระแสะจิตมีทั้งเศร้าและเครียดแค้นพยาบาทปนอยู่ ก็เลยกลายทำให้เสียงสวดนั้นกระแสไปทางนากลัวสถานใจผู้ที่ได้ยินไอหนุ่มเต็ดกับอีกหลายคนในหมู่บ้านของนายการิมก็ยังคอยเวียนไปบ้านในฟ้าแล้วก็ในปุ่นเพื่อคอยฟังความดนใจจากปิศาตร์มีนะจะบอกตัวบอกทิศทางที่จะตามล้างศัตรูต่อมาอีกไม่กี่วันหนุ่มเต็ดก็หายตัวไปจากหมู่บ้านพร้อมกับอาวุธมันย่อมจะไปตามทางของมันที่มีนะคู่รักของมันดนใจ ทั้งคนในบ้านในการริมก็หายไปอีกด้วยสองสาคนเรื่องนี้เป็นเรื่องลับเฉพาะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งไปกันคนละเรื่องกับตำรวจแม้ตำรวจจะรู้ความมุ่งหมายของคนกลุ่มนั้นว่ากำลังจะทำโดยพละการและผิดกฎหมายก็ยากจะควบคุมและติดตามถึงแม้จะตามไปพบเขากลุ่มนั้นในเมื่อเขายังไม่ได้ลงมือทำอะไรผิดก็ยากแก่การจะยับยั้งเขาได้ได้แค่ตักเตือนชี้ผิดชี้ถูกให้สว่างเท่านั้น ถ้าเขายัางดื้อเดินต่อไปก็ไม่มีกฎอันใดจะไปห้ามไม่ให้เขาก็ต้องปล่อยให้เขาเหี่ยมเกรียมกระหายเลือดไปจนกว่าจะเบาบางลงหรือได้กระทำอะไรลงไปแล้วก็จัดการได้เรื่องจะเอารั้วไปกั้นหัวใจของเขาไม่ให้ไปอย่างนั้นไม่ให้ไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะทำได้ปกติชาวมุสลิมรักสงบแต่มามีเหตุจี้จุดกันดังนี้ชาวมุสลิมจะกลายเป็นคนดุเหี่ยมเกรียมขึ้นได้อย่างน่ากลัว ในยามค่ำคืนของหมู่บ้านมุสลิมย่านนั้นกลายเป็นแดนที่น่าสะทกสะท้านขึ้นด้วยอำนาจจิตหรืออำนาจปีศาจก็สุดแต่จะเข้าใจเองความหวาดกลัวได้แผ่ซ่านไปตลอดย่านบางบ้านบางคนจะได้ยินเสียงของผู้หญิงเที่ยวร้องห้าอย่างระทมขมขมืนคร่ำครวญในยามค่ำคืนทั่ ว, วไปดีอยู่อีกอย่างที่ชาวมุสลิมไม่ชอบการเลี้ยงสุนัขมิเช่นนั้นจะเพิ่มความสยดสยองมากขึ้น เมื่อค่ำคืนเสียงสุนักหอนเกลียวไปทางย่านก็น่าจะเป็นอาการหนักเพียงแต่นกแสกบินร้องเสียงยาวและกระแสลมกันโชคบ้างก็ยังทำให้สถานใจได้การติดตามศัตรูนั้นแม้ว่าปีศาจมีนะจะชี้ให้ประการใดก็ตามก็ใช่จะมีความสว่างดังว่าดวงตาของผู้ค้นหาจะสว่างดังตาทิพก็หาไม่ยังคงซุ่มตัวแล้วก็ปลอมแปลงตัว เพื่อที่จะสืบเสาะไปอยู่โดยยังไม่พบตัวศัตรูได้ง่ายๆเพราะผู้ทําผิดก็ย่อมซ่อนตัวปิดงำความจริงไว้ทุกทางไปจึงย่อมค้นหาด้วยความยากลำบากแต่ก็เชื่อแน่กันอยู่ว่าเรื่องของผู้ผิดการกระทําการไม่ดีนั้นจะสุกซ่อนอย่างไรในสักวันหนึ่งก็ต้องรับผลกรรมจากการกระทําของตัวไม่ทางกฎหมายก็ทางส่วนตัวต้องโดนเข้าจนได้ไม่ว่าพระของทางใดก็ไม่ชอบคนผิดทั้งนั้น ในความยุ่งยากครั้งนี้ก็ดีไปอย่างเล่นพวกขโมยม้าวัวควายเงียบไปเลยไม่กล้าเข้ามาในเวลาหน้าสิวหน้าขวานย่อมชะตาถึงธาตุจึงทําให้ชาวบ้านนั้นนอนหลับได้อย่างสบายแต่ชาวบ้านกลับหันมากลัวเอาพูดผีปีศาจแทนกลัวพวกโจรกรรมแต่พวกที่เคร่งศาสนาไม่ชอบเหตุการ์อย่างนี้เลยลือกันว่าคนทุกคนที่ตายไปพวกร่วมศาสนาได้พยายามสวดอ้อนวอนพระอัลเลาะ ให้ทรงรับเอาวิญญาณของผู้ตายไปอยู่ใกล้พระองค์แต่เมื่อวิญญาณใดได้เกิดเลิดออกนอกทางไปดังนี้ย่อมร้ายกาดน่ากลัวเพราะเป็นวิญญาณที่ไม่มีใครควบคุมยิ่งเป็นวิญญาณที่เครียดแค้นด้วยแล้วยิ่งหาความสงบไม่ได้น่ากลัวที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่ เป็นบทประพันธ์ของครูเหมเวชกรค่ะบรมครูด้านนิยายผีนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังสองเรื่องควบเลยค่ะเป็นเรื่องคุณหมอยูโซแล้วก็หมอดูเท่านะคะส่วน เ, เรื่องต่อไปคุณผู้ฟังเป็นเรื่องอวสารในเล่มผู้มาจากเมืองมืดชื่อเรื่องว่าประตูผีค่ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามตอนต่อไปแล้วก็เราจะไปขึ้นเล่มใหม่ก็คือเล่มเมืองแม่วันทองนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ